ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยสามสิบเรื่องชีวิตในพระวิญญาณพระเจ้าของพระเจ้าได้สอนเรานะครับว่าพระเยซูประคานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราเป็นพาราเครตอสพาราเครตัสแปลว่าคนที่อยู่ข้างๆเป็นผู้ช่วยเราชุตที่เรียนเหล่านั้นจึงเป็นชุดที่ พึ่งพาพระวิญญาณและเรียกว่าเป็นชีวิตในพระวิญญาณก็ได้พวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วความคิดนั้นตรงกันและยอมรับว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตในพระวิญญาณและในแง่หนึ่งถ้าปราศจากงานของพระวิญญาณแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีชีวิตอยู่พี่น้องเห็นด้วยไหมครับอย่าว่าแต่ที่มีชีวิตอยู่หรือจเจริญขึ้นในฐานะคริสเตียนเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่ทุกวันนี้ในฐานะคริสเตียนนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระคุณที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิน้นก็ดูเหมือนว่าเราทั้งหลายทุกคนนะครับล้วนเป็นนี่พระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับพี่น้องดังนั้นเองเคริสเตียนทุกคนนั้นหากจะมีประสบการณ์ด้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องนับตั้งแต่วินาทีแรกครับของการกลับใจใหม่การบังเกิดใหม่ นั่นเป็นวิคนาทีแรกของชีวิตคริสเตียนเริ่มเกิดขึ้นและการเกิดใหม่ตรงนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อสามถึงข้อแปดนี้บอกว่าเป็นการเกิดจากพระวิญญาณพระวิญญาณก็หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับซึ่งเป็นพระภาคหนึ่งในตรีเอกลุภภาพเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งชีวิต <c oughs> เป็นผู้ที่ประทานชีวิตหรือให้ชีวิตแก่เราทั้งหลาย ให้ชิตแก่จิตวิญญาณของเราทั้งหลายซึ่งตายไปแล้วนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะมาบังเกิดใหม่ก่อนที่เราจะเป็นพิสเตียนจิตวิญญาณของเราตายตายนี้ไม่ได้หมายความว่าไร้ความรู้สึกนะครับหรือไม่หายใจไม่ใช่ครับนั่นคือร่างกายแต่จิตวิญญาณตายนั้นมีความหมายว่าถูกตัดขาดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าผู้ทรงประทานหรือสร้างจิตวิญญาณ นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับความหมายของความตายอย่าลืมนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วคือการแยกขาดจากกันเมื่อวิญญาณจิตของมนุษย์ตายหมายความว่าวิญญาณจิตของมนุษย์นั้นหรือจิตวิญญาณมนุษย์แยกออกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างจิตวิญญาณและให้จิตวิญญาณกับชีวิตของเราแต่ละคนเองเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าย่อมรู้ว่ามีพระวิญญาณอยู่ และแน่ใจได้ว่าทุกคนมีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่านี่คือสิ่งที่เรามาโนขึ้นมาเองหรือเราสร้างเราตีความเองขึ้นมาหรือเปล่าครับคาตอบคือไม่ใช่พระวิญญาณนั้นสถิตเข้ามาในชีวิตของเราของผู้เชื่อจริงๆของผู้ที่บังเกิดใหม่จริงๆของผู้ที่กลับใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดจริงๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยประทานให้เราเป็นบุตรของพระองค์ จากตรงนี้นี่เองก็ขอยกตัวอย่างครับว่าการที่พระเจ้าให้เราเป็นบุตรก่อนนั้นพระเจ้าให้เราเป็นบุตรก่อนแล้วจึงให้พระวิญญาณที่หลังหรือพระเจ้าให้พระวิญญาณก่อนจึงทำให้เราเป็นบุตรของพระองค์พี่น้องครับหากว่าเรายึดพระกรมภีบางข้อ ก็จะทําให้เราหรือความคิดทั้งสองฝ่ายนี้เป็นศัตรูกันคุยกันไม่จบครับคําตอบอยู่ตรงนี้เองครับพี่น้องฟังดีๆนะครับท่านอัครฑูตเป่าล้นสรุปไว้ทั้งสองแง่ในแง่หนึ่งเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์จิงทรงใช้พระวิ ญ, ญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราอันนี้ อยู่ในพระธรรมกระลาเทียบที่สี่ก็หกครับนั่นหมายความว่าเป็นลูกก่อนนะครับแล้วพระวิ ญ, ญญาณเข้ามาในใจทีหลังแต่ในเพิ่มพี่ตอนหนึ่งรวมบทที่แปดก็สิบสี่สิบห้าอัการทูตเปาโลก็แสดงอีกแง่หนึ่งครับก็คือปทฝังโพชนะของพระเจ้าในพระธรมรมโรมบทที่แปดพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด คู่นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจธาตุซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญ ญ, ญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าคาว่าพระวิญ ญ, ญาณทรงนำเห็นไหมครับพี่น้องหมายความว่าคือพระวิญ ญ, ญาณเริ่มต้นก่อนและเราถึงจะเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับหากเรามาถกเถียงและขัดใจกันด้วย ความคิดอย่างนี้ผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ว่าเราจะมองแง่ไหนผลลัพธ์เป็นอย่างเดียวกันก็คือทุกคนที่มีพระวิ ญ, ญญาณของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าก็มีพระวิญญาณของพระองค์เพราะฉะนั้นในความเห็นของผมก็คือว่าเราจะไม่ถก ok เถียงกันด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ครับที่คนเรานั้นจะมีพระวิาญญาณโดยที่ไม่ได้เป็นบุตรหรือเป็นบุตรที่ไม่มีพระวิาญญาณ เห็นไหมครับพี่น้องครับและเราจะเห็นมากยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่างานหนึ่งในงานแรกเริ่มและต่อเนื่องของพุ่มยานบริสุทธิ์ซึ่งมาสถิตในชีวิตของเราก็คือรับรองความมั่นใจประเด็นที่สําคัญคือว่ารับรองให้ความมั่นใจกับเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแน่นอนและเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นได้ชัดเมื่อเราอธิษฐานเราทูลเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าพระบิดาพระวิญญาณเองนั้นก็ทรงเป็นพยานยืนยันกับวิญญาณของเรา จิตวิญญาณของเราว่าเราคือบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งต่างที่ผมได้กล่าวมานั้นทำให้เรารู้ว่าพระวิญญาณทำให้ความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและอคาทูสเ ป, ปาโลก็รวบรวมว่าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่สาคัญก็คือว่า เราจะต้องมั่นใจว่าเรามีพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันครับผู้วิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างยเยอะแยะมากมายในชีวิตของเราเช่นผู้วิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราอยู่ในพระคิดและการที่เราอยู่ในพระคิดก็คืออยู่ในพระวิญญาณ น, นั่นเองการที่มีพระวิ ญ, ญญาณอยู่ในเราและมีพระคิดอยู่ในเราพี่น้องครับสองความหมายนี้นะครับก็คือเหมือนกั น, นครับ เป็นข้อความที่มีความหมายคล้ายคลึงและเหมือนกันไม่มีใครที่มีพระคริสต์แล้วไม่มีพระวิญญาณและไม่มีใครที่มีพระวิญญาณแล้วไม่มีพระคริสต์พระเยซูอธิบายชัดเจนเมื่อพระเยซูสนทนากับสาวกของพระองค์ในห้องชั้นบนพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับในยอห์นบทที่สี่ข้อสิบแปดถึงข้อยี่บสามพระเยซูตรัสว่าเราจะมาและพระบิดากับเราจะมาและเราจะใช้องค์พระผู้ช่วยมาพี่น้องครับ เห็นชัดเจนครับว่าทั้งสามนั้นเป็นตรีเอกนุภาพพระบิดาพระบุตรคือพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะเน้นหลักคําสอนหรือหลักข้อเชื่อนะครับที่หลายคนเรียกว่าศาสนาศาสตร์ของตรีเอกนุภาพนี่ต้องชัดเจนนะครับพระพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าเป็นหนึ่งในตรีเอกนุภาพครับนะหร e ือตรีเอกภาพ t อกวิทยน่คือชัดเจนครับซึ่งเราต้องรับรู้รับทราบประการที่สองเราต้องทำความเข้าใจว่าพระวิญญาณนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในเราและพระวิญญาณนั้นทำให้เราอยู่ในพระคฤิตพิยงกรับการอยู่ในพระพริตและการอยู่ในพระวิญญาณนั้นเป็นเรื่องเดียวกันครับประการที่ผมอยากจะสรุปต่อไปก็คือ พระวิญญาณ น, นั้นทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับและเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็บัดให้พระวิญญาณหรือประการพระวิญญาณเข้ามาในใจของเราและการสถิตของพระวิญญาณบริสุ์นะครับก็เป็นการสถิตอยู่ตลอดไปนี่เป็นหลักประกันความมั่นใจของเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าว่าถ้าเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆแล้วแล้วก็เราจะต้องมีพระวิญญาณบรยสุดอย่างแน่นอน แล้คําอธิษฐานของเราแล้วเรียกพระบิดาว่าเป็นพระบิดาได้เพราะว่าอะไรครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธินั้นทรงเป็นพยานในจิตวิญญาณยืนยันกับจิตวิญญาณของเราว่าเราคือบุตรของพระเจ้าสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในฐานะที่เราเป็นเพืสเตียนชีวิตในพระวิญญาณของเราก็คือชีวิตที่อยู่ในพระคริสเป็นของพระองค์ชีวิตในพระวิญญาณของเรานะครับก็เป็น ชีวิตที่จะต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเอกเป็นใหญ่และนำชีวิตของเราโดยการติดตามการทรงนำครับติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเข้ามาถึงฮอตอิชชูเกี่ยวกับเรื่องของของประทานฝ่ายพระวิญญาณหรือการรับแบบสมาธิพระวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะจับประเด็นความสำคัญที่ผมได้กล่าวให้กับพี่น้องได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้ อาเมน